แต่ชิวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันหมดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมทละเจ็ดได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัส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 มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ9ก้าได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จกักษุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตน า, าที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอันพยากริตก็มีสังขารขันหมวดละ9ก้ามีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละสิบ ในแก่เจตนาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สห h o r r ด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนาธาตุสัมผัสจเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพญากฤิตก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันหมวดละสได้แก่สังขารขันที่มีปริฏตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมามะนะเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ 3, สังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วจิต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 ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกก็มีสังขารขันหมทละเจมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมทละเจ็อีกหมวดหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปรยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปรยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปรยุทธ์ด้วยอุทุกขมัสุขเวทนาก็มี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 มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันหมวดละ24ได้แก่เพราะจะักขูดสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤะดหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานาสสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเปเ็นปัจจัย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 เพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยพระมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งจึงมีสังขารขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี